ไปยาไมาจากกรุงเทพครับอยอยามาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอที่คอนโดามาแล้วก็ได้ซีดีของพ่อไปฟังอสองแผ่นอันนั้นผมก็ฟัง2แผ่นก ล, ไปไป ก, ลกลับไปกลับมากับไปกลับมาอยู่ก็ได้ธรรมะเข้าไปเยอะนะครับแต่ว่าการปฏิบับติยังต้องค่อยๆปฏิบัติเข้าไปเพราะว่าฟั ง, งนีมน่มันได้แค่ฟังแต่ว่าต้องปฏิบัติด้วยแต่ก็ได้แนวทางครับแนวทาง พระอาจารย์ครับผมมีเรื่องหนึ่งคือครูบาอาจารย์ขององค์ท่านเข้าสุบุหรี่นี้ถ้าเราซื้อบุหรี่ไปถวายท่านเนี่ยเขาบอกบุหรี่อ่ะมันดุแล้วเ ป, เ, ปเป็นเป็นโทษต่อร่างกายนี่เราถวายท่านไปเนี่ยเราจะผิดแม่หรือเปๆๆอมันอยู่ที่ว่าถวายมากถวายน้อยถ้าถวายมากมามันก็เป็นโทษมากถ้าถวายน้อยมันก็เป็นโทษน้อยเป็นโทษทั้งคู่ ก็คือแล้วแต่เราแล้วแต่เราเพราะว่าโบราณเขาก็มีถวายหมากผู้บุรีมวลสองมวลอันนี้มันท า, ท, าทางทางทางธรรมเราไม่ได้ถือว่ามันเป็นมันไม่จะเป็นโทษในในวินัยมัน ไ, ไม่มีข้อในความผมก็เคยถามท่านอยู่เหมือนว่าหลวงปอคั บ, คบแล้วมันไม่อันตรายกับร่างกายเลยฮะท่นานก็บอกว่ามีคลา ย, ลยมัน ตายมันก็ดูดไปให้ตริิตไม่ได้ดูดด้วยคือมันทุกอย่างอ่ะมันเป็นโทษกับร่างกายนะถ้ามันถ้ามันมากเกินไปครัข้าใจนะถ้ามันไม่มากเกินไปมันก็ไม่เป็นโทษกินอะไรมากๆมันก็เป็นโทษน้ำตาลกินมากๆมันก็เป็นโทษถ้ากินพอดีมันก็เป็นคุณของทุกอย่างมันมีคนมีโทษ อยู่ที่อยู่ที่ปริมาณบางทีก็อยู่ที่ปริมาณครับถ้ามันไม่มันไม่มากมันก็ไม่เป็นโทษครับถ้านี้กินมากๆมันก็เป็นโทษใช่ไหมครับกินแล้วมันพอมันมันน้ําหนักเกินนี่มันก็จะโทษนะครับดันั้นทางทางธรรมเราก็ไม่ได้ถือว่าบาปผู้บุเรนี่เป็นเป็นโทษครับถ้า ถ้าเสษโดยโดยตมาน ค, <อ>คุณก็มีสมัย ก, ก่อนเขาก็ใช้หมากใช้พลูนี้รักษาฟัอนอยู่นบพวกที่กินหมากกินพลูนี้ฟันไม่ค่อยก็ถวายถวายได้แต่อย่ามากไปพอประมาณแต่ถ้าเราไม่สบายใจเราจะไม่ถวายท่านก็ไม่ด้ว่ามันอยู่ที่เรา คือการสูดเนี่ยมันก็มีสูดแบบสองแบบสูดแบบติดกับสูดไม่ติดถ้าสูดแบบติดมันก็เป็นโทษกับจิตใจเพราะเวลาติดแล้วถ้าไม่ได้สูบมันก็เครียดมันก็ทุกข์แต่ถ้าสูบโดยไม่ได้ติดเวลาไม่มีสูดก็ไม่เครียดไม่ทุกข์สูบไปตามตามนี้ตามเกิด แล้วมันก็มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตเพราะงไงครับถ้าถ้าเขาเห็นว่าไม่ควรจะถวายเขาก็อย่าถวายคนที่เขาเห็นว่าเขาถวายได้เขาก็ถวายแล้วมันมันอยู่ที่อยู่ที่คนแต่ละคนจะคิดกันนครับ ถ้าจะถามว่าพระพุทธเจ้าคิดยังไงพรเจ้าก็ไม่ได้ห้ามหมากห้ามพลูห้ามหรีไอ้ท่านห้ามสุราสุรายาเมาของระยที่เสพแล้วทำให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมาไม่ใช่แต่สุรายาเสพติดต่างๆนี่เกไปก็มึนเมาหรือเกิดโทษกับผู้เสพเสพแล้วต้อง ต้องดิ้นรนเสพอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพก็เครียดทุกขต้องไปหามาเสพไม่ได้ก็อาจจะนำไปสู่ อ, อาชญากรรมต่างๆสู่การทำบาป ท, ทำกรรมใชรรักทรัพย์เพื่อที่ไปซื้อยาเสพติดมาเสพที่เราไปทำลาชีวิตของผู้อื่นชิงทรัพย์ สิองเหล่า น, นี้พระพุทธเจ้าห้ามหมากนี่กินไปมันไม่มันไม่ได้ไปทำเป็นมีโทษมันก็เหมือนกาฟแฟกาฟแฟเป็นกาฟแฟมันจริงจิงต่อไปถ้าเขาคิดว่ากาฟแฟนี้เป็นโทษต่อไปก็ไม่ต้องกินกันแล้วใช่ไหมมันก็มีโทษมีคาฟเฟอีนอยู่ในในในกาฟแฟ ก็ใช่แช่นี้แหละมันจะโหดอย่างง้ยครับอรยอสู่บุรีป่ะไม่ไม่ครับอันนี้สู้มือบุรีแล้วอยากจะถวายเราจอยากถวายบุรีหครับคือคือคือไปจับพระอาจารย์บองรูทัางขั้นข้นรดบดูบุรีเห็นทั้งดูบุรีมากแล้วก็มีคนมาถวายบ้าง ผมก็เครไปถวายพอถวายสำมาแล้วเอ๊เราเหมื้อเราไปให้เอาบุหรี่ให้เป็นพ่อหน้ากายท่านหรือเปล่าแล้วนั่งคิดเสร็จแล้วมันไม่สบายใจก็เลยกลัมาถานพระาอาจารย์อะไรอย่างนี้นี่มันไม่สบายใจถ้าสมว่า้างๆมันก็เป็นโทษนะครับมันึงก็ทําให้เป็นอะไรนี้ต่อเป็นถุงลมโป่งพอง ที่มันมันสูกเท่าไหร่มันถึงจะเป็นอือบอกบอกไม่ได้ครับเพราะว่าของคนไม่สูกไปดมเขาสูบๆก็เป็นเหมือับเอถ้าถ้ามันเป็นโทาก็อย่าไปถวายกนแล้วคคนก็จะถวายก็เรื่องของเขา ไปจราบคูบาจารย์ที่ไหนมาบ้างอะก็ไ ป, ปลุกุรีครับที่คุปภะแดงครับไปร่วมบุญสร้างเจดีครับอ่าก็ไปรูปบุญเรื่อยครั บ, ร บ, บ, รบตั้งแต่เจดียังเป็นฐานต่อก็ไปช่วยขนไม้ขนอะไรแล้วก็ไปทําบุญประกายเลยด้วยคับทท่านยังสูงอยู่นะมีคนถวายหร้อเล่กลุรลีผมผ ม, ผมไม่ไม่ไม่เห็นครับอไม่ไ ม, ไม่ไม่เห็นนะ เพรา ะ, ว, ะว่าท่านเพราะว่าสุขภาพาปปสุขภาพาท่านก็ลูกสิษก็ดูแลอยู่ครับก็มีปวดบ้างอะไรบั่บงก็ดีมากเลยแต่ระยะหลังนี้เห็นสุขภาพดีขึ้นครับช่วงตอนสร้างจะดีแรกๆนี้จะป่วยอยู่พอท้ายจะดีใกล้จะเสร็จแล้วนะครับดูท่านแข็งแรงขึ้นแข็แรขึ้นถ <ๆๆ S 2> ้าจะดีก็เริ่มลูปเป็นล่างแล้วขึ้นไปเยอะแล้วครับ คิดว่าน่าอีกปาณสองปีน่าจะเสร็จสองปีเ<ป>จดีย์รสร้างของเชิดชูหลวงตาหมาบัวครับสร้างใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็กต่ว่าให้เจดีอยู่ถึงตันปีอสร้างใหญ่ อ, อยู่บนยอดเขาเลยครับถ้ามอลจากบ้านสายก็จะเห็นเห็นเลยมังมีหลวงตาครับถ้ ผมตูรีท่านบอกว่าให้ใช้ศรัทธาญาติโย ม, มคือจะมีคนมาเหมาทําอะไรเนี้่ท่านก็ไม่ให้<ม>ใครจะมาเหมาออกตังเยอะๆอะไรแล้วก็มาแบบว่ามาสลับชื่ออะไรนะท่านท่านท่านไม่อนุญาตท่านบอกว่าให้สร้างเรื่อยๆให้ญาติโยมมาร่วมปัจจัยมาสร้างกันทีเล็กทีน้อยแล้วค่อยๆสร้างขึ้นไปสร<ม>้างขึ้นไปคือญาติโยมก็จะได้บุญด้วยอะไรด้วยถ้าช่างรับเหมาก็มารับเหมาทําทําเสร็จก็หักค่าลงค่าแรงค่า ค่าใช้จายเสร็จเหลือปุ๊บกำไรถวายหลวงปู่ต่อไม่เอาอก็ไม่เอากำไรก็ได้กุญย์ได้วยถ้ากายว่าดีๆนี่ก็สถานธหาชนทั่วประเทศมาร่วงไปมีเล็ทีน้อยฮะผมว่าไปไปกับลงทานหลวงปู่สังวาอก็ไปที่นั่นบนยอดเขาเขาจะมีลงทานของหลวงปู่สังวานอยู่ตลอดเวลาลตลอดเวลาครับก็ใครไปใครมาก็มามามา ไปกินที่ลงทางนี้ได้ฟรีตลอดก็ลงทานก็ใครมาทำบุญก็ทั้งหมดเลือก็ถวายหลวงปู่บีถวายเดือนละสองครั้งเดือนกลางเดือนชั้งหนึ่งสิ้นเดือนช่างหนึ่งถวายไปนี่ประมาณสิบเ็สิบแปดล้านเลยสองสมปีเนี่ยสองปีสมปีนะคมี้าอาหารอะไรให้กินมาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวขนมปังกาแฟ น, น, าน้ำพดน้ำเต่าน้ำพด น้ตานะำพวกันเลยนี่นะครับคือไปถ้าตปเป็นแบบเล็กๆนะครับเล็กๆจนมาลงท้าก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นเขาทำขนมปังกันข้างบนเลยคืออันนี้ก็ยังมีอยู่อังนี้อยู่ครับอันนี้ทำมีที่ทำขนมปังเลยอยู่บนข้างๆจะดีเลยครับก็ทําเป็นเต็นท์นล้วทำเป็นอันี้เป็นหลังคูหังคายคือหลังคาก็เปิดตลอดมันเตลอดตลอดทุกปันญาติโยมใครไปใครมาขึ้นไปก็ก็ก็ไป ได้ตรงนี้ไปบ่า ย, ายถึงอย่ายังยังมีจริงอยู่ค<ช>รับท<ม>ี อ, อันเดียวนะที่อยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างลงทาง น, นี้ก็คงแบบว่าเริ่ ม, มือบว่าอยู่คู่กับเจดีย์จนกว่าเจดียจ ะ, ะเสรส็จพอเจดีเสร็จก็คิดว่าน่าจะจะจ ะ, จะถอนตัวออกแล้วมีญาติโยมสลับกันไปไปทำไปตลอดครับไปตลอดคนที่ทํำลงทางนี่คนเก่าหรือว่ามีเปลี่ยนไป ก็แบบมีแบบอยู่เลยก็มีนี่เสียสละส า, ลไ า, าไปมาอะไรเงี้ยโยมองค์คนยังนอนอยู่นั่นเลยเสียสละก็ทำโรงทาานตลอดบางบางคนก็ขึ้นจากกรุงเทพไปไปผัดเปลี่ยงก็มีเป็นครั้งเป็นจาวอะไรเนี่ยไปก็ส่วนทางญาตยิยมคนนี้ก็จะมีรถรถไปจากวัดสังฆทานก็ไปอาทิตย์เดือนสองครั้งอสองครั้ง อันนี้ลงทางของวัดสังฆทานเนี่ยไม่ฮเป็นของลูกศิษย์ของหลวงปู่สังวานพสนองและทีี้เมีอาจารย์นิทัตอาจารย์อาจารย์สุนันท์อาจารย์อาจารย์ชัดแล้วก็อาจารย์หมอเลยนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวานนะครับเมก่อนหลวงปู่อาจารย์หลวงพ่อสมพันธ์ท่านพามาทาหูงตาจนหลงตามอหน้าภาพแลหลวงตาก็ชีมไหมทาบนหลวงปู่ี ก็คณะลูกศิ์ก็มาทามยู่ตุงกุรีพาแากยืยนมาทาปุรีทําครงการนี้แตอนนี้ก็ทํายั่ตลอดทำจนัว่าจเสร็จทาได้เนีทนี่เรื่อยไปนี่สร้างมาสามปีแล้วสามปีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเข้าปีที่สามปีนี้นะครับนี่าว่าตอนห้าหกผมไปนี่ก็ยังเป็นฐานฐานอยู่เลยฮะก็เลาช่วยกันยกโงยกไม้อะไรกันนะฐานฐาน ตอนนี้ยังไปอยู่กอนปอยังก็ไปอยู่็นข้างค้าครับแต่ไม่ได้ไปทุกเดือ น, นแล้วไป<ง>ช่วงก่อน<ว>ช่วงก่อนผมปเป็นทหารทำงานนะครับแต่ตอนนี้เอ r รี่แล้วตุลาที่ผ่านมาก็มีเวลา<ง>มากขึ้ น, นครับแล่วมีทาหารไปช่วยด้วยนีมนีครับมี<า><ว>มีตกทหารยอมยอมก็ไปผูกเหล็กครับ แล้วที่ผ่านมาที่กระถิ่นี้ไปมาแบไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปค่ครับเดี๋ยววันวันที่ยี่บันที่สิบเก้าริยมจะขึ้นไปทํากระถิ่ที่เชียงใหม่ค่ะที่วัดที่ลชายมรณะภาพครับลูกชายเป็นอะไรที่สูดกาซพิษเข้าไปค่ะ อ, อยู่ในห้องน้ําแล้วสูดกาซพิษเข้าไปมรณะภาพอายุมากไหมยี่สามค่ะแจยี่สี่ครับยี่สเป็นคนแรกคนต่อคนแรกคน บวชเมื่อปีหะาก้าวมิถนาปีห้าหกบวชแล้วก็บวชได้สอ <2 S 2> งพรรษาปาฏิโมงได้แต่ 1, พรรษาแม่ค่ะเราไปเสียเทีนที่วัดเนี้ยแต่ที่พักสงฆ์แล้วเออพัฒาจบมานามครับที่เชียงใหม่เชียงใหม่ติดติดกับเชียงรายครับตรนนั้นท่าน ท่านมีแบบหมดสติในห้องน้ำนะคะแล้วผ้าจารย์จะช่วยออกมาแล้วก็ปั้มปั้มหัวใจขึ้นมาแล้วก็ยิ้กลับมาได้แล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลอยู่ได้สามวันค่ะพอส่งโรงพยาบาลก็ต่อไปที่เวียงทิศนครพิงค์ที่เชียงใหม่ค่ะก็ อ, อยู่ได้สามวันก็มรณภาพเขาว่าการการเหมือนเข้าไปในสอในมองอะแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ไอตัวนี้ครับไม่มีใครคาดคิดถึงครับคือถ้าห้องน้ําเนี่ยถ้าไม่กว้างดูระบายา้ไม่พอถ้าเราไปติดเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับแล้วใช้แก๊สแก๊สเนี่ย การเผาไหม้ของแก๊สเนี่ยมันจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งมันออกมามันจะลอยอยู่ในใอากาศโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วไม่มีกลิ่นที่เราก็สูบเข้าไปเราเข้าใจว่าเราสูบออกซิเจนเข้าไปเหมือนก็อยู่ในรถนะครับมันมันมันซึมเข้าไปในรถพอสูบเข้าไปสร็จุ๊บมันก็สลบปุบเลยเลยไม่รู้รู้ตัวมันยากสลบเลยไม่รู้ตัวอะไรก็ถ้าลูกชายก็เป็นลักษณะอย่างนี้ฮะคือไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันด่วนใจสามพรรษา สองพครับสองพรรษาจะเข้าย่างพรรษาฐานใช่ไมเสียเมื่อไหร่สิบหมกราที่สองมกราตีสองยี่สิบตีเมื่อไเมือนี่ะตอนท่านท่านทักแถบพี่อะไรไม่ได้แล้วพอท่านตีสองก็หมอบอกว่าท่านจะไปแล้วผู้ใจเอ่อนเขาก็รีดไปกันวิ่งไปพอตีท่านขยับมือยกมือขึ้นสะบัดใส่ไอ้ที่สายเสดติดท่านนะสะบัดออก ข้างผมวิ่งเข้าไปเห็นพอดีเลยฮะร็จ แ, แล้วผมก็เรียกหมอมาดูหมอหมอท่านท่านฟื้นหรือเปล่าหมอหมอพยาบาลก็ไม่รู้เรื่องเขาบอกเขาไมเคสนี้ไม่เคยเจอขึ้นมาเสร็จ แ, แล้วยกอีกข้างขึ้นมา mm hmm. ขึ้นมาก็พนอมมือแล้วผมก็จัจบมือท่านก็โ oh, อ้หสิกรรมกันโอ้โหสิกรรมกันเหแบบว่าไม่มีอะไรติดข้างกันนะลูกท่านเป็นลูกผู้เจ้าขอท่านไปครับผู้เจ้า mm hmm. พอพูดเสร็จปุ๊บท่านก็ดันมือผมลงเลย ดันดันมือผมเองเลยนะดันมือแ้้วมือวางดันแต่การดันนี้เหมือนเหมือนเหมือนกับเครื่องจักรมันไม่ใช่เหมือนกับคนเราที่นี่แบบเนี้มันแรงดันผมดันผมไม่ยอมให้ไปนะถ้าดันลแบบแรงมากหรืมันไม่มีแรงกล้าอะไรลงไปเลยงั้นนะฮะแล้วก็ก็ทานก็ไปฮะก็ก็สรวจตวดอุจจิปิสรท่านท่านก็ไปช่วงนั้นอืม หมอก็เขาพิสูจน์มายเปนอะก็ไม่ยอมผมก็จะม่ยอมให้พิสูจน์เขาบอกว่าต้องพิสูจน์เพราะว่าท่านอายุยังน้อยกลัวว่าท่านจะถูกวายงายาถูกทำร้ายว่าอยู่ๆทำไมท่านมองหน้าภาพได้ง่ายเมวก็มาเจอตรงนี้ว่าปอดสูบเข้าไปปุ๊บปอกอักเสบบวมเฉียบ พ, พันขึ้นมาแล้วก็คารบ์บอนบล็อกเข้าไปในสมองเข้าไปใ น, ปใ น, เ, นเลือดหมดเลยคือการว่าในเลือดเราต้องมีออกซิเจนนะครับปรากฏว่าไม่มีมีแต่คาร์บอนหมดเลยแล้วก็ ที่เสียชีวิเพราะว่าปอดตัดเศษ<อ>บ่มเฉียบพันธุ์ไม่มีออกซิเจนไปรอนี่ยขาดอักซิเจนขาดเดียวอรัแล้วลกก่อนจะบวชเขเรียนจบที่ไหนรู้เปล่าจบข้อการฆ่าเ่เกิดขนาดพระปิยตรีนี้ยอมบั่นดับนึงแล้วเขทำไมถึไปบวชอะท่านท่านอยากจะบวชปอดจบเลยไม่รับพินยาท่านไปบวชเลย แต่ก่อนวดทักก็ท้งเป็นไข้เลือดออกอยู่นะครับ<ช>เป็นไข้เลือดออกเดืนเดือนนะึงก็จะแย่อยู่แล้วเหมือนกันนะยังไม่หายยังไม่หายดีก็ไปเลยครับแล้วก่อนปวนี่ไปเไปจากครูบาอาจารย์แบบไปครับไปพี่ก็ไปจากข้ากล้ามบวม า, าครับไทลวงปู่เลยไทยหลวงปครับไทหลวงปูเยกระสัทธาครับ เสียลูกนี่คงจะเสียใจมากนะโอเคคือ <c oughs> รู้แล้วพระที่สวดสวดทำวัดช้าทำวัดเดียนการท้าทายจากของรักของเจริญใจมันก็เป็นทุกข์แต่แรกก็ส่วนเราก็รู้ว่าทุกข์แต่ว่ามันพอไม่เจอตัวเองเราไม่รู้ว่าพมแม่เสียก็ก็ไม่ทุกข์เท่านี้เพราะว่าท่านไปด้วย<ม>ด้วยวาระคืออายุมากแ ล, แล้วแล้วแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายออแต่ลูกนี่ยังไม่แก่เลย นุ่มๆลมแล้วก็ไปได้อน้ำตาไหลสมเดือนนะผมอะคือแว๊กขึ้นมาก็ไหลไหลไหลอะไรเงี้ยรู้เลยผมมันเข้าไปถึงข้าใจ ม, มันเสียใจมาใจจะขาดเลยฮะแบบมันเสียใจขนานั้นนะแล้วก็เลยรู้ว่าโอ้นี่มันทุกขนาดนึงคือเวลาสของรักลูกที่เราล้าอยู่ที่ว่าจะทุกกว่าเวลาที่เราจะต้องตายเนี่ยครับที่ว่าจะทุกกว่าเวลาที่เราจะต้องตายเนี่ย ผมว่าเราตายทุกวทกว่าครับทุกกว่านเี้ยครับแต่าไม่รู้ว่าทุกเป็นยังไงนะต้องเจอเวลาสวนก็สวนแต่ชื่อมันแต่ไม่ได้เจอตัวมันยังไม่เจอตัวพอเจอไปเทอาไหร่เราโหแทบไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะทุกได้ขนาด น, นี้นะครับไม่เคยคิดเลยครับก็ ทีนี้ก็เห็นคนที่เขามีรูปว่าตายตก็เลยกระทันหันอุบัติเหตุตายมากะไรอะไรมาที่เขาร้องโหยงร้องไห้เขาเสียใจเล้วเข้าใจเ้าเลยว่า<ม>เขาทุกข์ยังไงแต่แรกเราก็เห็นอยู่ว่าเขาเสียใจแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่า ม, มันเข้าไปถึงขนาดไหนถึง ข, ขนาดนั้นนะฮะรู<ม>้เอาไหมมันขนาดนั้นจริงจริง<ม>ถ้าคนทํำบรมไม่ได้ทาใจไม่ได้ก็เป็นบ้าไปนเมียนกัน ม, มันทรมานจิตใจกัน แต่มันก็ดีอย่างมันทําให้เราได้เห็นทุกข์เราจะได้เชื่อพระพุทธเจ้าที่ตลอดเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ท่าท่าจากกันเป็นทุกข์ไป เ, เจอคนที่ไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์ เ ห, เหตุเหตุของความทุกข์ก็แบบรักมากเท่าไหร่ทุกมาเท่านั้นคือความอยากรักอะไรก็อยากจะให้เราอยู่กับเราไป น, นานๆถ้าไม่รักก็จะไม่ทุกขนะ์คนที่เราไม่รักนี่เขาเป็นตายไงอะไรก็ไม่เดืนะอดร้อนนการที่หยุดความรักได้อก็หล่ะ พีเศษแล้วก็ดึงนะครับพอเราคิดคิดว่าหญิงชายชอบการแต่งงานันแล้วปฏิสัมพันธ์แล้วเกิดมีลูกมีเต้าขึ้นมาก็เหมือนกับว่าสร้างความทุกข์ขึ้นมาทางนั้นเลยในโลกนี้ความทุกข์คนในโลกนี้เป็นอย่างนี้กัหมดมจะเป็นเหมือนลราหมดเลยแล้วก็ถ้าไม่รักมันก็ไม่ทุกข์ถ้ารักเมื่อไหร่เราก็ทุกข์เหมือนนั้นรักเราหรือไม ตัดมันได้ไหย ม, มันตอนนี้ตอนนี้ก็ยันครับขยังครับมันก็ยังดึงอยู่ครับแต่ว่าก็ต้องต้องหักใจครับหรือเวลาก็ต้องตัดใจเลยเพาะเลยครับ อ, ตอืต้องต้องหยุดรักตัวเราหยุดรักคนหยุดรักทุกสิ่งทุกอย่าง<ช><ช>มีความเมตตาต่อกันได้แต่อย่าไปรักแบบยึดติดครับ รักแบบว่ามีความปรารถนาดีต่อกันดูแลกันช่วยเหลือกันแต่ถ้ารักแบบว่าเป็นตัวเป็นของเราใช่ <Okay. S 1> ถ้ารักแบบว่าเป็นของเรามันก็จะอยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆถ้าอยา่างเราก็จะทุกข์ <Okay. S 1> ถ้าไม่ได้รักแบบเป็นของเรารัากแบบว่าเอป็นของคนอื่นเราก็เพียงแต่ ดูแลกันไปช่วยเหลือกันไปได้รับจากกันไปก็จะไม่ไม่ทุกข์เหมือนกับเรารักคนอื่นคือมีความไมตตามีความปรารถนาดีต่อคนอื่นเราก็ไม่ได้ไปถึงกับยึดเขามาเป็นของเราเขาจะเป็นอะไรเราก็จะไม่ไม่ทุกข์กับเขา ตอนนี้พี่สาวเขาอายุเท่าไหร่นะยังคืออะไนระพาเขาเอ่อทัอ้วีโยาพาครับที่เป็นนักเทคฟุตบอลอ่ ม, มัต้องได้นักเป็ดอะครับทำได้ถึงทองแดครับที่ไหนที่ที่ไปแข่งเนี่ยี่ัปีสองห้าสี่เจ็ดครับก็สปปีและนะ้วครนะับครับตอนนี้ม<ส>ีลูกสองคนแล้วเป็นาหารหะล ไม่เคยเป็นละลาออกครับแล้วเามาเปิดโรงเรียนสอนในคอนโดตอนที่ตอนที่แข็งนั้นเป็นแข็งในในขณะที่เป็นทหารเนีไม่ไม่ครับไม่ไเป็นเพรนั้นอายุยังส9บเก้ายยยังไม่ถึงยี่สิบอ๋อแล้วไปเข้าทีมชาติได้เข้าทั้นเลือกแบบก็เข้าไปตันอายุประมาณ17บ็อ่ะ16บ7กสิเจะเป็นคู่ซ้อมให้ก่อนให้เขาเตะก่อนนะบิวก็เขาก็มีความมุ่งมั่นนวก็ เห็นเขาแข่งเทคอนโดก็อยากแข่งก็ไปฝึกไปซ้อมอะไรนะวก็ผมก็พาไป mm hmm. สอนให้ก่อนนะแรกสอนมวยไทยให้ก่อนเสร็จแล้วก็หาเทคอนโดอะไรเนะี้ยก็แข่งมั่งแพ้ ม, มั่งอะไรเนะี้ยเขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยเร็ว mm hmm. ถือว่าเร็วมากสองปีสมปีมันขึ้น mm hmm. ทีมชาติก็ mm hmm. โดยปกติแล้วมันขึ้นยาก mm hmm. แล้วก็แล้วก็ใช้เก่งแค่ภายในสี่ปีห้าปีเนมันมันทำได้ยากว่าก mm hmm. แล้วเขได้เจ้าเหรียญเป็นคนแล้วเหครับโค้ดเชียบคนนี้เหรยังอยู่นะยังอยู่เลยถ้ามาเก่งกับโคเชียเนี่ยครับน่ามีคนอื่นได้เหรียญเท้งได้เหรียญนุ่งปล็บไหมก็จะมีน้องสองน้องสองได้เหรียญเงินมาที่สี่ปีให้หลังแลก็เป็นคือวีก็เป็นตัวอย่างแล้วพอเสร็จแล้วก็น้องสองก็้ามาอีกคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อีกสี่ปีให้หลังก็เล็กชนาทิพย์คนนี้เป็ตั้งแรงยังยังไม่ได้ทองยังไม่ได้ทอง ยากไงยากเลยคุณอยากเป็นของเกาหลีก็เกาหลีใช่ไหเขาจะได้ทุกปีแล่วก็จีนรุ่นเท้านีจีนได้หลายปีแล้วค่ะเป็นแชมป์โอลิมปิกหลายปีแล้ยุโรปนี่ไม่ไม่มีใครได้แล่นแล้วแต่รุ่นด้วยค่ะถ้าถ้าใหญ่ๆขึ้นไปก็น่าจะยุโรปประธานยุโรกครับคือใหญ่ ท่านเล็กๆกแถวเอเชียเนี่ยตอนที่เิ่มเล่นก็เล่นให้กับโรงเรียนนะคือว่าร yani, ับให้โรงเรียนก่อนนะโรงเรียนแล้วก็ไปแข่งแข่งแข่งนี้ได้แชมปาบ้างแชมปางอะไแพ้บ้างชนะบ้าพัฒนาในเรื่องแก้ไขข้อบกพร่องตัวเองเราจะต้องไปแข่งซีเกมก่อนใช่ไหมแข่งก่อซีเกมในเชินเกมไปก่อนครับ ซีเกมมัก็ได้เหรียญเงินเหรียญเงินครับซีเกมไม่ได้เหซีเกมเหรงได้เหรียญทองไดหลายได้หลายแมทเหมือนกันซีเกมนี่ไปหลายรอบค่ะแต่ว่าบางแมทก็ได้เหรียญทองบางแมทก็ได้เหรียญเงินบางทีก็ตกรอบสมัยก่อนสมัยก่อนในคอนโดยังมีการโกงกระแด็นกันเยอะเลยทีนี้ก็มีกติการมีเกาะไปโกงไฟฟ้าที่โกงง่ายเลย เอเชียนเกมไม่ไได้ไม่ได้ไม่ได้แข่งแข่งเลยได้แข่งครั้งแรกเลยค่ะไปออกต่างประเทศไปแข่งเอเชียนเกมได้เเงินได้เหรียญงินไพอภูมิใจต้องตามติดตามไปดูไม่ได้ไปครัไม่ได้ไปไปที่คริสเอเทนล่าตอพเขาจะได้เหรียญปุ๊บที่เขาก็รับไปเลยไม่มีตังค์อะไรเลยไม่มีตังค์ไปไปหายหายประเทศทางทีมช่ตเขาจ่ายให้จ่ายให้รา ทางสมาคมอะไรเงี้ยเขาก็หาสัพานให้ตอนนั้นจ่าบินไทยเขาเขาเขาเขาไปตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้แข่งอรเลยตอนนี้เป็นอาจารย์สอนเป็นครูปั้นกําลังปั้นเด็กๆเล็กๆขึ้นมาแล้วพีน้าอเล็กนี่มีมีมีแววมีใครทีหน้าโอลิมปิกก็จะมีอยสองคนในรุ่นวิลก็จะมี เออแล้วแบบและชนะทิพย์กับใครนะเทนนิสกับเทนนิสสองคนนี้ต้องตัดเชือกกันสองคนนี้เอพราะเทนนิสก็เก่งขึ้นมาชนะทิพก็เคยได้เหรียญขึ้นมานี่สมาคมก็ต้องมาตัดเชือกกันสงคนนี้ว่าใครจะเก่งที่สุดกีฬาก็ต้องแข่งตัวเองในประเทศก่อนและชนะคนในประเทศก่อนเสร็จแล้วก็เอาไปสู้กับต่างประเทศเอาคู่ชอมกันก่อนใครเก่งที่สุดจะได้ไป หลวงพ่ออยู่ประจําวัดไม่ไปไหนอะไใช่ไหมไ ม, ม่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปหลวงพ่อครับที่วัดยานเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมอะไรหลวงพ่อไปไปสอนพระที่เขาบวชอยู่อเป่าครับที่นี่ก็เป็นพระวัดยานนะครับที่นี่เป็นเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระวัยานครับถ้าที่สนใจการปฏิบัติก็จะมาอยู่มาปฏิบัติเหมือนเขา ถ้าถทาอย่างบวชที่รรมยุทธทีวัดอื่นนี่มามาปฏิบัติได้ไหมครับมันไม่มีก่อนห้ามแต่ว่ามันยากเพราะว่าพระของเรามันก็มีจำนวนมากแต่ที่มันไม่ค่อยพอแด้อยา่างหนึ่งสอนพระวัดเรามันง่ายกว่าสอนพระวัดอื่นแต่มันก็เลยมักจะเลือกพระวัดเราก่อนนอกจากว่าเป็น ถาที่เขามาแล้วเขาพร้อมที่จะเชื่อฟังจริงๆก็อาจจะรับได้แต่ถ้ายังไม่รู้จักนี่มันมันก็ยากแต่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เพราะว่าเขาก็มีครูมีอาจารย์ของเขาครับ <Okay. S 1> เขามาอยู่นี่บางทีเขาไม่ได้อยู่แบบเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์คนระับ <Okay. S 1> เขาไม่อยู่แบบว่าเขาจะมาขอใช้ที่อยู่ยนี้แต่เรื่องการที่จะสั่งสอนเขานี่อาจจะอ สังสอไม่เป็นปากคนยยังไงครับนันก็ถ้ามาจากที่ น, นี้โอกาสที่จะขึ้นมาปฏิบัติขบวนนี้คงจะต้องใช้เวลาเพราะจะให้พักผ่อนข้างล่างก่อนต้องดูดูจิตใจดูนิสัยดูอะไรต่างๆหรือว่าไปด้วยกันได้เปล่าเหมือนเขาจะมืนเา จ, จะนักกีฬานี่น ถ, ถ้าโค้สอนนะนักกีฬาไม่ทำตามทำตามไม่เชื่อฟั ง, ม, ฟงมันก็เหนื่อยใช่ไหมสอนไปมันก็ลำบากแ ม, ม้แต่คนที่มาบวช ท, ที่วัดยา น, นี้ก็ไม่ได้ให้ขึ้นมาทันทีว<ช>่าคือเป็นพระมันก็ต้องมีการเรียนรู้สิ่งอื่นๆนอกจากการปฏิบัต<ช>้อ<ช>รู้จักวินัยสิสอง้อยยีบเจ็ดข้อรู้ จ, กจนนักการสวดมนต์ไหว้พระ วิธีกรรมต่างๆที่พระควรจะรู้ก็ต้องพักอยู่ข้างล่างไปก่อนแล้วพอพออยู่ได้สักปีหนึ่งถ้ามีความสนใจที่อยากจะขึ้นมาปฏิบัติถ้าดูนิสัยใจยคอดูสมรรถภาพความสามารถือความพร้อมถ้าเห็นว่าพร้อมที่จะให้ขึ้นมาก็าจะอนยากให้ขึ้นมานะ เพราะว่าอยู่จะให้คนที่เราไม่รู้จักมากคุณมาเลยเนี่มันมันมันยากเหมือนพูดกันมันพูดไม่เต็มป่าแต่ถ้าให้เขาอยู่นีข้างล่างสักปีนนี้พระกบวนนี่ก็ต้องลงไปทำกิจกรรมร่วมกันเช่นไปบินฑบาลร่วมกันไปฉันร่วมกันไปลงปฏิมมกขร่วมกันก็จะพบปะกันจะเห็นหน้าเห็นตากัน ก็จะเห็นนิสัยใจคออะไระตะ่างๆงั้นคนที่จะขึ้น ม, มาอยู่บนนี้นได้ต้องผ่านผานการกันกองชั้นหนึ่งก่อนถามเถิดคุเองจะมาหลังจวออกมาจะบวชก็ไปติดต่อข้างล่างที่กุติสีรษะครับกุติวีครับแล้วก็ภาษาแรกก็จะต้องจำภาษาอีกข้างล่างก่อน เพราะว่าในภาษาเขาจะมีการสอนนักธรรมตรต้องเรียนรู้พื้นฐานของศาสนาพุทธประวัติพระวินัยสีสงรอ่าเจ็ข้อธรรมวิภาคคำสอนของพระตถเจ้าตา่างๆผมเคยวัดวัดตังแต่ทางมาก่อนนะคถ้าท่านจบนักธรรมตรีแล้วก็ไม่ต้องเรียนกน็ได้ถ้าถ้ามีใบใบประกาศ ีคือถ้าบวชน่าเป็นหลวงพี่หลวงพี่ที่เป็นพระลูกชายอ่ะท่านจะได้นักธรรมโทสอบสอบเสร็จแล้วแต่ว่าแต่ถ้าไปถ้าไปวัดอื่นนี่บางทีไม่จําเป็นก็ได้อย่างะปรทับไปอยู่กับหลวงปู่รีไปอยู่กับวัดตากวันตานี่เขาไม่ได้บังค่อยปฏิบัติอย่างเดียวด้วยสัยครูบาอาจารย์เป็นคนสั่งคนสอนเราก็เลยตอนนี้เราก็ยังไม่มีนักธรรมตีเลย พราะเราบวชปั๊บเราก็ไปอยู่กับหลวงตาเนี่ยเราไม่ไม่ด้มีการเป็นที่วัดก็ไม่มีการสอนนักธรรมตรีสอนปฏิบัติจำบัดนี้ก็ยังไม่มีนักธรรมตรีมาหลวงพ่ไม่ได้เรียนเลยครับก็เรียนแบบปากต่อปากไม่ได้เรียนแบบตำราไม่ได้เรียนแบบไม่ได้ไปเรียนแบบหนังสือที่เขาเป็นตํารามาให้เราอ่านท่องแล้วก็ไปสอบ เราก็เรียนแบบอยู่กับ ค, บาาครูบาอาจารย์อาารก็สอนว่าทำนี้ทำได้ทำนี้ทำไม่ได้อะก็ ร, รู้กันเหมือนกับพ่อแม่สอนลูกเราสอนลูกนี่เราไม่มีประกาศใบประกาศให้ลูกในชะ่ไว่าได้จบจากการเป็นลูกแนละ้วเนี่ยก็คือสมัยพุทธกาลก็ไม่มีไม่มีนักคำตีไม่มีหลักสูตรเนียกัน ก็เรียนแบบเรียนอยู่กับครูบาอาจารย์ไปเรียนรู้กันไปสานกันไปครับทํากันไปแต่มาสมัยนี้เขามันเอาเอาแบบทางทางโลกมาใช้ครับทางโลกเขามีหลักสูตรมีหนังสือให้อ่านแล้วก็ให้ท่องจําแล้วก็ให้ไปสอบถ้าสอบได้ก็แถลงว่าผ่านคือจาได้ต้องมาจำได้นี่ไม่ไหนมันเอาปฏิบัติได้ รู้ว่าศีลมีกี่ข้อแต่ก็ยังอาจจะทําทุกศีลได้ครจำจาแล้วมีโอกาสลืมไหมครับลืมถ้าเป็นความจํามันลืมแต่ถ้ามันเป็นการปฏิบัติมันไม่ลืมไม่ลืมครับถ้ามันทําอยู่เป็นประจํานี่มันจะไม่ลืมแต่ถ้ามาท่องแต่ชื่อมันเฉยๆมันจะลืมครับผมไปครูบาจารย์เขาบอกว่าออ่านมากๆเรียน่ากมาก แกแลรวก็อือก็อเอาไปไม่ได้เลยจะตายแล้วไปไม่ได้เลยแต่ <ใน S 1> ว่าถ้าปฏิบัตินี่มันมันจะฝังอยู่ในใจนันจะเป็นนิสยัยเป็นบินสบายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้บินสบายอต่พระที่เขาเรียนกันบางทีเขาเขาไม่บินสบายเลยเขาไม่มีเวลาเขาบอกต้องไปห้องเรียนเข้าห้องเรียนต้องอะไรเป็นพระที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบินสบายเพราะว่า มีบางทีก็มีโรงครัวแล้วมีญาติพี่น้องญาติโยมมาเลี้ยงไม่มีเกตหนิมนอะไรแต่ก็เลยไม่ค่อยจะบินสบายกันไม่บินแบบก็เป็นแบบว่าเฉพาะวันที่ไม่มีไม่มีเกตหนีมนไม่มีใครมาเลี้ยงก็ก็ไปดินถ้ามีคนมาเลี้ยงก็ไม่ดินแต่ทางสายปฏิบัตินี้ฉันถือว่าการปฏิบัติการ บ, รบาารินสบายนี้เป็นกิจวัตร ของพระที่จะต้องทําไม่ให้เว้นสายปฏิบัติก็จะบินสบาย<ช>ทุกวันเว้นได้แต่เฉพาะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธนี้นก็เว้นได้ พ, พระอใจครับอย่างทําวินัยที่พระเจ้าบอกบว่าจะเป็นตัวแทนเราเนี่ยคือใครที่จะค้นคว้าสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเขาเขาค้นคว้าเนี่ยเขาอ่านอ่านแล้วเขาสามารถที่จะรู้ลุธรรมได้ไหมครับ อ่านอย่างเดียวบรรลุไม่ได้ครับต้องต้องต้องปฏิบัติ ด, ด้วยถึงจะบรรลุได้เหมือนกับอ่านวิธีทำกับข้าวเนี้ยอ่านที่เฉยแต่ยังไม่ไปทํานี้ยมันยังไม่ได้กับข้าวอะารนะแล้วต้องไปหากับข้าวมาทำเช่นอ่านวิธีทำข้าวผัดนี้ยเราต้องมีข้าวมีหมูมีผัก ม, มีน้ํามันมีน้าําปลาน้าอะไรต่าง พ้แล้วว่าจะทําข้าวผัดต้องมีอะไรก็ต้องไปหาหาข้าวหาผักหาอะไรมาแล้วก็ต้องติดไฟติดอะไรมีไฟมีกระทะมีอะไรครับต้องผัดมันถึงจะได้กินนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันอ่านหนังสือธรรมะนี่มันเพียงแต่อ่านวิธีฆ่ากีเลง่ายๆทำองพระเจ้าทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อฆ่ากีเลฆ่าความโลภความโกรธความหลง แต่พวกที่อ่านอย่างเดียวนี้มันฆ่าไม่ได้อมันก็ยังโลภยังโกรธยังหลงเหมือนเดิมวิธีฆ่ากิเลกก็คืออ่าต้องถือศีล น, น, นักบวชเนี่ยอา น, นิยมถือศีล น, นักบวชได้ไหมศีลแปดขึ้นไปใช่ไหมต้องไม่กินข้าวเย็นนี่ก็ฆ่ากิเลสตัวหนึ่งนะไม่ร่วมนอนหลับนอนกับแฟนก็ฆ่าอีกตัวหนึ่งนะมันต้องฆ่าด้วยการปฏิบัตินะมันไม่ได้ฆ่าด้วยการอ่าน รู้ว่าสิ่งแปดมีอะไรรู้ไปแล้วไม่ทํามันมรู้ไปมันเป็น ม, มีประโยชน์อะไรใช่ไหมของพระ ก, ก็สิ่งสองวันี่เจ็ดถ้ารู้แล้วไม่ไม่ไม่ไมไมปฏิบัติตามมันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยมันก็เหมือนกับจับลิงมาห่มผ้าเหลืองนมีมันก็ไม่สงบมันก็ยังเป็นลิงอยู่นะมันต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้ อย่างพระเจ้าสอนคารว่าให้ทําทานนี้คำว่าทําทานนี้คือหมายความว่าใจเราต้องไม่หวงทรัพย์สมบัติเงินทองใจไม่โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองถ้าจําเป็นจะต้องหาจะหาเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นไม่ได้หามาเพื่อให้มีให้ล่ําให้รวยมีหน้ามีตาให้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหรา ของอะไรทีเ่เป็นความสุขทางทางกิเลสเช่นไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงถ่างเงินไปใช้กับของเหล่านี้มันมันก็จะติดมันจะผูกพันมันจะไม่มีเวลามาซื้อสิแปดไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมได้ถ้าเรา เวลาเราเราศึกษาทานศีลภาวนาเราคิดว่าอ้อทำทานมีนิดๆหน่อยๆเ ห, หมือนเอาเงินให้ขอทานนะอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการทำทานอย่างเต็มรูปแบบเป็นการเริ่มต้นเป็นการศึกการทำทานเต็มรูปแบบมันต้องหยุดเรื่องการหาเงินใช้เงินหลวงพ่ระุทธเจ้านี่ทำทานสละทาสะสมบัติอะางเงี้ยทีนี้นเรียกว่าทำทาน คือถ้าอยากจะจบหลักสูตรของการทำทานต้องสละหมดเลยเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาเมื่อไม่มีไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปหาเงินทองมันก็มีเวลามาหาธรรมมาหาศีลมาหาสมาธิมาหาปัญญาได้มันก็จะมารักษารักษาศีลได้บวชได้เวลาบวชนี่คนต้องสละหมดแล้วเรื่องทรัพสมบัติเช่าของเงินทอง ยกให้ลูกให้เมียให้ใครไปถ้าถ้าไม่มีลูกไม่มีเมียก็ยกให้ชาวบ้านหรือบริจาคให้อสภ า, าชาติหรือองค์การกุศลอะไรต่างๆไปอันนี้เรียกว่าทานที่เราอ่านที่เฉยแ ล, าาแล้วก็เชื่ว่ า, าทําทานเราก็เราก็ใส่บาตรนี่มันก็เป็นทานเหมือนกันแต่มันยังไม่ไม่เต็มที่ใส่บาตร กระถิ่นแล้วก็ใส่ซอง อ, อย่างงี้มันก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นพอง่ายยังทำไม่ไม่ไม่จบหลักสูตรถ้าจะให้จบหลักสูตรก็ต้องต้องให้หมดเลยแล้วก็ไปบวช อ, อันนี้ก็จะเยว่าได้สอบผ่านขั้นที่หนึ่งละขั้ทนทานนี่สำเร็จละบรรลุละที่ต้องขึ้นไปสู่ขัน้นศีลนะ ศีลก็ต้อรักษาศีลของพระหรือศีลของนักบวชออไม่ไม่หาความสุขทางร่างกายละคนที่จะไปปฏิบัติไปหาไปนิพพานนี้ต้องไม่หาความสุขทางร่างกายมีแฟน ก, ก็เลิกกันไปมีภรรยาก็เลิกกันไปมีเครื่องบรรเทิงต่างก็โยนทิ้งไปหมด ว, วิทยุโทรทัศน์สีอะไรต่างนี้ก็ ที่วัดป่ามันตานลวงตาท่านก็ไม่ให้ดูหมดท่านไม่ให้ออกไฟฟ้าเข้ามันไม่มีไฟฟ้าของพวกนี้มันก็เข้าไม่ได้หลวงซื้อพินก็ไม่ให้เข้าไม่ให้ดูนี่เสียเวลามันจะเสียเวลามานั่งดูพวกนี้แล้วมันจะมาเอาเวลาที่ไหนมานั่งสมาธิคือการปฏิบัติมันไม่มันไม่เหมือนกับการศึกษาการศึกษาก็ อย่างคูบาอาจารย์สอนเนี่ยที่ท่านบอกว่าห้ามดูทีวีห้ามอันนี้ ก, เก็เป็นการเรียนแล้วละ<ม>ที่ไปอยู่กับท่านเรียนแล้วก็ได้ปฏิบัติด้วยเลยถ้าไปอยู่วัดที่เขามีแต่เรียนเขาไม่ปฏิบัติกุฏิก็ยังมีทีวียังมีหนังสือพิมพ์ยังมีอะไรอยู่เนี่ย<ม>เรียนไปแล้วมันก็ไม่ได้ปฏิบัติมันก็เหมือนกับเรียนวิธีทํากับข้าวแล้วมันก็ไม่ได้ทํากับข้าวละที<ม>ถ้ามันจะมีกับข้าวกินเมื่อไหรนะ่ <laughs> ง่ายไหมนี่การเรียนที่ถูกต้องต้องเรียนไปปฏิบัติไปควบคู่กันไปเหมือนพ่อแม่สอนลูกหรือบ้านสอนลูกอันนี้ทําไม่ได้นะอันนี้ทํานี้ได้พอท้อไม่ทำท้อทํำผิด ก, ก็ต้องลงโทษทหน่อยเองหน่อยเขาก็จะได้เหตุลาบเขาก็จะได้ไม่ทําอันเนี้ยต้องต้องต้องเรียนแล้วปฏิบัติไปควบคู่กันเหมือนกับพ่อแม่สอนลูกถ้าทั้งสายปร ปฏิบัติถึิงมากจะเรียกอา จ, จารย์ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นเหมือนพ่อแม่เลี้ยงดูลูกพาลูกบินรบาดเนี่ตอนเชา้าครูบาอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าเดินออกบินทบาดก็เหมือนแม่ไก่พาลูกไปหากินะเ <net> ดินอย่เป็นแถวเลยเแม่ไปไหนลูกก็ตามไปอย่างนี้นคะรับแม่ไปคุยเขียวนี่ลูกมันก็หันคุยเขียเนี่ยคือวิธีที่ถูกต้องคือเรียนไปปฏิบัติไปควบคู่กันไป แต่ทางทางโลกทางสมัยปัจจุบันนี้เขาแยกเป็นคนละทางไปเลยเรียนก็เรียนตำราท่องกันไปเลย <Okay. S 1> เรียนท่องก็สูตรท่องคําสอนพุทธยานต่างท่องไปก็แบบว่าเอาแต่ชื่อมันแต่พอเวลาเวลาปฏิบัติก็ไม่ได้ทำตามบินสบายก็บินมากไม่บินบ้างอะไรนั่งสมาธิก็ไม่ได้นั่งค <Yeah. S 1> มันก็เลย เรียงอย่างเดียวมันก็เลยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะทําลายกิเลสตัณหาได้เมื่อไม่ทําลายกิเลสตัณหาทางทุกง์ใจมันก็ยังไม่มีวันหมดเพราะกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนเชื้อโรคที่ทําให้ร่างกายไม่สบายถ้าไม่กินยามันก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่รักษาไม่รักษาร่างกายได้มันไม่ทําลายเชื้อโรค ถ้ากินยามันก็จะทำลายเชื้อโรคได้ธรรมะของท่าเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจยาที่จะไปฆ่ากิเลสตัณหายานี้ก็ต้องก็ต้องปฏิบัติทำถึงจะได้ยานี้สีน์ต้องรักษาถึงจะได้สีนรู้ว่าสีน์มีอะไรแต่ไม่รักษานี้มันก็ไม่มีสีลอยู่ดีรู้ว่าสีน์ข้ามีสองร้อยี่สิบจทอหรือสีน์ของ ถึงนแปดมีอะไรบ้างแต่ก็ไม่รักษาเนี่ยเท่าเย็นก็ยังกินอยู่อย่างเชียงใหม่นี่ในข่าวเขายังกินพระยังกินข้าวเย็นกันอยู่ไม่ใช่เหรอแตที่วัดไม่มีนั่นแหละแต่เขาว่าวันบางแห่งเขาก็ยังกินกันอยู่หลวงพอ ย, พออยางตานะช่วงที่เย็นๆในพระฉันเยนเ็ย น, เยนได้ได้ครับา น, นั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้ให้ ป่าหน้านคามมาก็คือน้ําผลไม้ครับน้ำผลไม้ในข้นในใสพวกอะไรเนี่ยครับ อ, อันนั้ น, นเป็นข้าวเล็กเภสัเป็นยาแล้วเป็นชีส พ, พวกอะไรเนี่ยในข้นในใสมันมี ม, มีมียาห้าชนิดที่พเจ้าให้ฉันได้คือหนึ่งน้ำผึ่งน้ํามันเนยค้นเน ย, สยใสแล้วก็น้นําตาล น้ำตาลก็เลย น, น้ำอ้อยมันทำไว้ก่อนใช่ไหมตอนน้ำมันน้าน้ามันน้ามันนี่เขาให้กินเป็นยาอาจจะไปเคลือบกบระเพาะหรืออะไรก็ไม่รู้แลหละแต่ไม่ก่อนเขากินเพื่อรักษาโรคแต่สมัยนี้มันกินรักษาความหิวมากกว่า <c oughs> <c oughs> นะฮคือเนยค้นเอยข้ น, น, ยขนเขาเลยแปลว่เป็นเป็นชีสไปแล้วเขาก็เอามาผสมกับน้ำตาล กวนกันก็ลายเป็นขนมอร่อยเลยมันมั น, ห ว, นหวานหวานเค็มๆกินกับกาแฟแต่ความจริงเขาคงจะโบราณเขาคงจะมีะกินพวกนี้ไ้รักษา <c oughs> อาจจะมีโรคอะไรที่เป็นแล้วกินแล้วมันก็ช่วยได้เช่นอาจจะหน้ามืดน้ำตาลน้อยอ <c oughs> ก็ให้กินน้ำตาลหรือว่ากระเพาะมัน ท้องร่วงหรือว่ามีอะไรก็กินยากินน้ำมันเข้าไปเคลือบหรืออะไรรั <Yeah. S 1> บเขาวนี้เขามีไว้รักษาโรคจริงๆแต่สมัยปัจจุบันนี้เขาไม่นอามารักษาโรคร่างกายแตมาโรคสารักษ า, รกษาโรคตัณหาความอยากกินแต่ก็กินได้เพราะว่าเมื่อเมื่อมีช่องให้กินมันก็กินได้ถ้ามีห้าอย่างที่เรียกเป็นเพสัชยาน้ามันทนน้ำมันเหลว ไอ้เนยค้นเนยเนยข้นเนยเหลวเนยค้นเนยใสอะไรเนี่ยจำไม่ได้เขาแปลมาในน้ำน้าตาลน้ำผึ้งน้ำมันนะครับน่าชนิดด้วยกันเล้วหนึน้ำอ้อยเขาแปลเป็นน้ำอ้อยน้ำอ้อยอันนี้กินได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่เขาว่าเป็นเพสั์คือต้องมีอาภาธ แต่ <c oughs> สมัยนี้ไม่ถือว่าอาภาษไม่อาภาษเมื่ออนุญาตให้กินได้ก็กินแล้วปานะแปลว่าน้ําผลไม้ค <c oughs> น้าผลไม้นี่ก็ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่มีขนาดไม่ใหญ่กว่ากลมปั้ น, นถ้าใหญ่กว่าไม่ได้มะพร้าวนี่ไม่ได้ต้มโ อ, งองนี่ไม่ได้ค <c oughs> ตออ้องเอาน้ําผลไม้ที่มันมีขนาดกลมปั้นหรือเล็กกว่านี้ <c oughs> แล้วต้องกรองไม่ให้มีกากไม่ให้มีเนื้อเพราะไม่ให้กินให้อิ่กินเพื่อรักษาอน้ำปลาหน้ามันอาจจะมีคุณสมบัติเป็นยากินจากกินเป็นยาคแล้วยาชนิดหนึ่งที่ค้าอนุญาให้กินคพวกสมุนไพรต่างๆครนี่สมุนไพรสมัยนี้มันก็กาแฟมันก็เป็นสมุนไพรมันทํามาจากมั น, มนแล้วกาแฟ ชามันก็เป็นสมุนไพรก็เลยกินได้กันชากาแฟโกโก้เนี้ถยถือว่าเป็นเป็นยะ<ว>เป็นกระเทียมกระเทียมแล้วก็ว ก, กระเทียมนี่รู้สึกว่ามี ม, มีมีข้อยกห้ามมั้งเพราะว่ามันกินแล้วมันไปทําให้ปากเหน็บยังไงแล้วมันเวลาไปนั่งพังเทสด้วยกันต้องมันส่งกลิ่นออกมาทํำรบควนสมาที่ของคนอื่นรู้สึกว่าท่านห้ามไหมฉันกระเทียม ้าแกไม่เจ็บโยมก็เห็นมีแบบพวกขิงชาก็เป็นสมุนไพรไงตรงนี้ก็เป็นยาที่เขาทำเป็นแบบอะไรุนยำสมุนไพรคล้ายๆกับเป็นเมี่ยงคำเลยนะมีผักใบพลูกินได้มันก็เลยเป็นช่องออกสำหรับพวกที่ยังมีกิเลสตัณหามีความหิวอยู่ อาทีช่วงบ่ายๆนี่เอามาตั้งทั้งฐานเลยมีขิงมีขา่ามีสมอดองอมีน้ำตงน้ำตาลมีพริกมีอะไรนีกินได้เนี่ยของพวกนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรนะเนี่ป น, <c oughs> นยาบางแห่งเราก็เลยเอามาต้มก็มีต้มให้มันร้อนก็เหมือนกินแกงจืด้ออแลออะอย่างพวกลากบัวพวก เพรนั้นแหะ<อ>ถ้ามันอยู่ในอยู่ในถ้าคำว่าเป็นสมุนไพรเปัญญาสมุนไพรนี่มันกินได้หมดได้หมดทีนี้คนกินนี่มันต้องวิเคราะห์แล้วกกินเพื่อรักษาโรคแล้วลกินเพื่อรักษาอ่าก็เรียกอะไรไอ้พวกปอบรักษาปอบอยู่ที่เจตนาการได้ไดแต่มันมีช่องให้ทําได้ไม่ผิดนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่วินิจฉัยของครูบาอาจารย์ อย่างงห้องตานี้ท่านฉลาดท่านปิดประตูนี้เลยไม่ฉันเลยใช่ไหยครับไม่มีเลยไม่มีสมัยที่ท่านสร้างวัดตาบ้านตาให ม, หม่ๆนี่ไม่มีน้ําปานะจบคือไม่มีกาแฟโกโ ก, โก้ตอนบ่าย น, นี่ไม่มีฉันนะไรนอกจากน้ําเปล่าตแต่ผมเคยผมก็เยอนนะครับเคยถวายท่านท่านหรอกมีการรับโทรศัพทนะไม่เลยเออ ทำไมที่หลวงตาสร้างวัดใหม่ๆนี่ท่านไม่ให้มีน้นําปานะไม่มีอะไรเอาแพทย์ฉันเช้าเสร็จก็จบหลังจากนั้นก็ผิวก็ดื่มน้ําไปน้ำเปล่าเพราะท่านถือว่าท่านไปทุ่โด่งท่านก็ทําอย่างนี้เวลาไปทุโด่งนี่ไม่มีได้ใครจะเอาน้ําปนุกปานะมาถวายหรอก ช, ช, าชาวนาชาวชาวบ้านที่เราไปบิณฑบาตก็ใส่บาศเสร็จแล้ต้องไปทํานาทำไร่เขาไปแล้วพระก็กลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิปิดวิเวกอยู่คนเดียวครับ เราไม่มีของพวกนี้ท่านก็อยู่ได้เวลาที่ท่านสร้างวัดใหม่ๆนี้ท่านไม่มีน้ำปนุกปนะเลยแต่ต่อมาเมื่อมีมีพระมาบวชมากขึ้นพระที่มีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งยังยังไม่มีอินรีที่แจก้าก็ผิวอะไรเรื่องเดือดล้อนแล้วประกอบกับมียาดโยมถวายของพวกนี้มาท่านก็เลยอนุญาตให้มีน้ปนาปนะฉันตอนมา ตอนต้นก็ให้ถันแบบง่ายๆให้ลูกสิทธิ์ชงกาแฟใส่กาไว้กาหนึ่งโกโก้ไว้กาหนึ่งใครอยากจะกินก็เทฉานป๊บก็จบะไปแล้วตอนหลังมันก็มาพัฒนากลายเป็นต้มน้ำร้อนแล้วก็มีกาแฟมีอะไรน้ำตาลให้ใครอยากจะชงกินไชงกันเองแล้วก็มีของแถมมายาอมลูกบมอะไรต่างๆ <c oughs> ก็มันกินได้เงี้ยน่ะสมุนพงสมุนไพรมันก็เลยหลวงตาท่านก็เมตตาสงสารก็ท่านรู้ว่าจิตท้ายังไม่มีธรรมนี่มันทรมานมันหิวท่านก็เคยเป็นพระที่ตอนแรกๆท่านก็ไม่ได้ออกปฏิบัติท่านก็เรียนหนังสืออยู่เหมือนกันท่านก็รู้ว่ามันทรมานยังไงท่านก็เลยอนุโลม ให้มีได้แต่มีมีกําจัดจํากัดเวลาภายในหนึ่งชั่วโมงนี้ต้องจบต้องปิดไม่ใช่ยืดเยื้อยาวเหยียดไปท่านจะมาเดินเช็คอยู่เรื่อยถ้ามาเดินสองครั้งเจอหน้าเก่านี้ท่านไล่แล้วบอว่ไมได้ได้ความรู้มากเลยครับเพราะจากที่อย่างนี้ไม่เคยรู้เลยครับท่านจะได้รู้องนี้หลือไม่เพราที่ริดว่าเป็นของที่อนุญาต ใช่พระไน่ญาตแต่มันไม่ได้อนุญาตแบบที่เราคิดกันคมันอนุญาตเพราะมันมีเหตุเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆค่อยกินแต่สมัยนี้มันเวลามันมันมันแปลความหมายมันมันมันตัดไอคํำไอเหตุผลไปหมดนะมันเก็บไว้แต่สิ่งที่อนุญาตให้กินได้ตอในวินัยพระก็ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมครับ ก็คงไม่พูดแต่มันคําว่ามันคําว่ายามันก็บอกแล้วเภสัชมันไปตีความอะตีความเภสัชมันก็แปลว่ายายามันก็ต้องรักษาโลกใช่ไหมเลี้ยงเรี่ยงเลี้ยงไปมาลีแปก็อนุญาตให้กินได้ก็กินแหละบางทีบางทีชีสเป็นแทงแทงก้อนๆนี่กินนั่นจริงมัน้วทุ่งกลางอันนี้ก็เป็นเภสัชหรือเปล่า แต่ในกรณีผ้าผ้านะครับนั่นแหละผ้าผ้าก็กินได้ครับนี่มันถึงอยู่ที่คูบาอาจารย์ไงถ้าคูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติทรรผ่านมาท่านจะรู้ว่าไอ้ของพวกนี้มันเป็นคุณหรือเป็นโทษใันมากกว่าเพราะยิ่งสมัยปัจจุบันนี้เรามียารักษาโรคเยอะแยะไปหมดแล้วไม่สบายก็ไปหาหมอสิหมอก็มียารักษาโรคทุกชนิดเลยไม่ต้องอาศัยพวกนี้ก็ได้ แประกาศกับตัวท่านเองก็ปฏิบัติแบบแข่งขันท่านออกทุ่งงนี้ท่านก็ไม่มียาไปติดตัวเลย mm hmm. อย่างมากก็เวลาไม่สบายก็ชาวบ้านอาจจะมีรากมงังคุดรากไม้มาต้มให้กินแต่ถ้าไม่มีท่านก็ใช้ธรรมโอสถกันเ mm hmm. ข้าสมาธิต่อสู้กับไถ้ป่าสร mm hmm. ้างกายเป็นไถ่ถ่ายสูงขนาดนาี้พอจิตสงบมันก็ห จิตท่านไม่หวั่นไหวต่อโรคภัยข้เจ็บพอเราจิตสงบแล้วมันจิตจะไม่หวั่นไหวมันแยกใจออกจากร่างกายได้ไอตัวที่หวั่นไหวมันไม่ใช่ตัวร่างกายตัวที่หวั่นไหวคือใจแต่ใจมันไม่ได้เป็นไอตัวที่เป็นก็คือร่างกายร่างกายมันไม่รู้เรื่องมันก็เลยไม่หวั่นไหว ร่างกายมันจะเป็นจะตายมันไม่รู้เรื่องมันไม่มีความยึดในตัวมันเองมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นหรือจะตายเพราะฉะนั้นมันไม่เดือดร้อนแต่ใจนี่มันมันไม่ได้เป็นแต่มันไปหลงที่ว่ามันเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรมันเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะฉะนั้นเวลามันเดือดร้อนก็ต้องดึงมันออกมาทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วมันก็หายเดือดร้อนมันก็รู้ว่าอ๋อ ร่างกายนี้รักษามันก็ได้ไม่รักษามันก็ได้ไม่รักษามันก็ตายเร็วหน่อยรักษามันก็ตายช้าหน่อยก็มีเท่านั้นแต่มันก็ตายอยู่ดีตายเร็วก็ดีสิจะได้ไม่ต้องมาเจ็บหลายรอบถ้าตายช้ามันก็ต้องเจ็บหลายรอบเดี๋ยวก็ต้องไม่สบายหลายรอบแำหรคนที่มีธรรมแล้วก็ไม่ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายแล้วก็ไม่ไม่ ไม่สนใจอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงเพียงตอนนี้เราไม่เห็นเเราเอาใ จ, จากับจิตมาผูกมัดเป็นเข้าวต้มมัดนะฮะมันเป็นตัวเดียวกันอยู่คู่กันมาตลอดตั้งแต่เกิดจนตายจากกันแลมันจะแยกจากกันแล้วมันก็กอดลักันเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายเป็นอาไรใจก็เดือดร้อนไปกับร่างกายทั้งที่ร่างกายก็ไม่เดือดร้อนแต่ใจไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะรักขวงร่างกายไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไร ไ, ไ, ม ไ, ไม่อยากให้ราห่างกายจับเราไปทีนี้ถ้าเรามาศึกษาคาําสอนพระเจ้าบอกว่าต้องปล่อยร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา ไปยึดไปติดมันแล้วจะทุกข์ไปรักมันแล้วจะทุกข์ทุกข์เหมือนที่เราลักลูกนะเวลาเล่นจะต้องจากกันนี่มันทุกข์มากแต่ถ้าไม่รักแล้วมันก็จะเฉยเฉเหมือนลูกของคนอื่นเราไม่รักเขาเวลาลูกคนอื่นตายเราเราทุกข์ไหมทุกข์ก็ไม่เหมือนกับที่พ่อแม่เขาทุกข์ใช่ไหมทุกข์ไเหมือนกับลูกเราตายใช่ไหมเพราะเราไม่ได้รักเหมือนกับเรารักลูก ความผิดอยู่ที่ความรักของเราเนี่ยรักจกนกระทั่งเกิดความผูกพันเกิดความหวงไม่ยอมให้จากเขาไปเพราจากไปก็เลยทุกข์เสียใจมากเรี่องเราต้องมาฝึกปล่อยร่างกายเราเน่เพราะว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปเราต้องจากมันไปถ้าเรารู้จักวิธีแยก ทำใจให้สงบนึกใจมันก็จะแยกออกจากน่างกายเวลานั่งสมาธิใจสงบนี้มันก็แยกกันออกชั่วคราวพอออกจากสมาธิกลับมามันก็กลับมารวมกันอพอมารวมกันเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่านั่งกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตา่างคอยเตือนใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอ เดินดปเ่ย ใ, ใจมั้ก็คายคายคายความรักความยึดติดไปเรื่อยๆพอร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่ทุกข์โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะใจใช้ปัญญาแยกได้ปล่อยได้จะแยกได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปไปเจอเสือเจออะไรอยานี้ถึงจะรู้ว่าแยกหรือไม่แยกหรือไปเจอไข้ป่ายอย่างนี้แล้วเรืจะแยกใจจะปล่อยร่างกายได้หรือเปล่า ถ้าปล่อยได้มันก็จะไม่ทุกข์ถ้าปล่อยไม่ได้มันก็จะทุกข์เนี่ยแหละคือต้องปฏิบัตินี่คุณเรียนรูฟ้ฟังๆอย่างนี้แต่คุณยังไม่ได้ไปทำเนี่ยครับพอพอเป็นไข้ขึ้นมานี่วิ่งหาอยู่ขายากันหาหมอกันละแทนที่จะทำจใจสงบแล้วปล่อยวางร่างกายให้มันรักษาของมันไปโรค บางโรคมันก็หายเองได้โรคบางโรคท่านไม่หายก็ต้องไปหาย า, ยามากินถึงจะหายแต่เบื้องต้นเราไม่ต้องรีบไปหายาหรอกถ้าเราอยากที่จะปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าเราก็ต้องรักษาด้วยธรรมโอสถปฏิบัตินั่งสมาธิปล่อยวางร่างกายถ้าปล่อยได้แล้วมันจะสบาย ถ้าปล่อยไม่ได้มันจะทุกข์ไปจนวันตายถึงต้องยอมตายถึงจะถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้ามายอมตายพอเป็นอะไรปั๊บเลี่วิ่งหาหมอแล้วหายาหาโรงพยาบาลยังวุ่นไปหมดมันก็ไม่ยอมตายมันก็ต้องทุกข์มัน ม, มันไม่ปล่อยร่างกายคาว่ายอมตายก็คือปล่อยร่างกายยอมให้ร่างกายมันไปยอมให้มันตาย เพราะมันต้องตายไม่ใช่เลยแต่ถ้าเรายอมว่ามันตายมันจะไม่ทุกข์เข้าใจแต่ถ้าไม่ยอมนี่มันจะทุกข์การปฏิบัติธรรมก็เพื่อดับความทุกข์ใจถ้าจะดับความทุกข์ใจก็ต้องยอมต้องปล่อยทุกอย่างที่เรายึดเราติดที่เราคิดว่าเป็นของเราไปให้หมดลูกเราภรรยาเราทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองเราตัวเรานางกายเรา ต้องปล่อยมันถึงจะไม่ทุกเวลาที่จากกันถ้าไม่ปล่อยมันก็จะทุกถ้าไม่ไม่ซ้อมไม่ปฏิบัติมันก็จะทำใจไม่ได้เวลาเจอข้อสอบมันก็จะทำไม่ได้เหมือนนักกีฬาไม่ซ้อมเ อ, เอาไปชิงเอไปชิงเหรียญกับเขาก็โดนเข้าเอาไปกินหมดที่เราต้องมาศึกษาก็มาเรียนรู้วิธีปฏิบัติมาเรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติ พอปฏิบัติได้แล้วเวลาไปเข้าห้องสอบไปเจอคู่คู่ต่อสู้ก็ทําผ่านได้อย่างสบายคู่ต่อสู้ของเราก็คือกิเลสตัณหาของเรานี่ความรักของเรานี่แหละต้องตัดความรักให้มันหมดไปจากใจให้ได้รักแบบกิเลสไม่ใช่ถ้ารักแบบธรรมนี่ไม่ต้องตัดรักแบบธรรมก็คือมีความเมตตาปาตตนาดีต่อคนทุกคน ยินดีให้ความสุขแก่ทุกคนแต่รักแบบหวงนี่ไม่เอารักว่าเป็นของเรานี่ไม่เอาต้องรักแบบไม่ใช่เป็นของเราเพราะถ้าอะไรเป็นของเราแล้วมันจะอยากให้อยู่กับเราไปนานๆพอเวลาต้องจากกันมันก็จะทุกข์มากอข้าใจไหมเข้าใจ ถามว่าไงมีอะไรมไหมทางนี้ไม่มีค่ะไปเยี่ยมผู้ป่วยก็เลยและนัน้นนี่อ่ตอนนี้คงเอาแค่นี้องนี้ไหมัค่นี้นั่นหายใจพรนะสบายแล้วครับยัตถาวริวะหาปุราตาลิปุเดนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินาเตตางยังอุ ป, ปกาปติ ิติตังปัติตังตุมหังคิดเะเมวะสนิจจตุสาเพปรเนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีเดียวิวัจันตุสัพพรุโควินักสตุมาเตภวะตวันตารายุสุขีทีคายุโกภวะ อาธวานัสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรมมาวทานติอายุวโนสุขังภาลั